แนะนำบทอัลอาดิยาดบทอัลอาดิยาดเป็นบทมักกียะมี 11 องค์การที่กล่าวถึงม้าของบรรดาผู้ที่ต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์ขณะที่มันจู่โจมเหล่าศัตรูแล้วขณะที่มันก้าวเท้าวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วจะได้ยินเสียงอย่างแรงและขณะที่กีบเท้าของมันตีกับหินก็จะเกิดประกายไฟออกมาทําให้ฝุ่นตลบคลุ้ง บทนี้ได้เริ่มด้วยการสาบานด้วยม้าที่วิ่งขณะที่มันจู่โจมศัตรูเป็นการแสดงออกซึ่งเกียรติและความดีและความดีของมันณที่อัลเลาะห์โดยที่มนุษย์นั้นเป็นผู้เนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลเลาะห์ที่มีต่อเขาไม่ยอมรับการมีบุญคุณและความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อเขาทั้งนี้เขาได้ประกาศการเนรคุณและปฏิเสธการมีบุญคุณของพระองค์ ด้วยการกระทําของเขาและคําพูดของเขานอกจากนี้บทยังได้กล่าวถึงการรักทรัพย์สมบัติอย่างมากมายของเขาบทได้จบลงด้วยการประกาศว่าทางกลับของมนุษย์ย่อมกลับไปหาอัลเลาะห์เพื่อการชําระและการตอบแทนทรัพย์สมบัติและเกียรติยศชื่อเสียงไม่อํานวยประโยชน์อันใดเลยให้แก่เขาแต่การกระทําความดีเท่านั้นที่จะช่วยเหลือเขาได้ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ขอสาบานด้วยม้าที่วิ่งหอบฮักๆแล้วด้วยม้าที่กีบเท้าของมันกระทบกับหินจนเกิดประกายไฟ แล้วด้วยม้าที่จู่โจมศัตรูในยามเช้าแต่อซกนบีฮีนตออันฟะวะซตุนบีจัมอะห์แล้วมันได้ทําให้ฝุ่นตลบฟุ้งในยามนั้นแล้วมันก็ดุบเข้าไปท่ามกลางหมู่ศัตรูในยามนั้นอินนัลอินซานะลิร็อบบิฮีละกะนูด ถ้าจริงมนุษย์นั้นเป็นผู้เนรคุณต่อพระผู้พิบาลของเขาว่าอินนะฮูอะลาซาลิกะลาชะฮีดูวะอินนะฮูลิฮุบิลค็อยรินลาชะดีดถ้าจริงเขาได้เป็นพยานต่อการนั้นอย่างแน่นอนและถ้าจริงเขามีความหวงแหนเพราะรักในทรัพย์สมบัติเอ่อฟะลายะอฺลามูอิซาบุอฺทิรมาฟิลกุบูรวะฮุศซิละมาฟิสซูดูร เขาไม่รู้หรอกหรือว่าเมื่อสิ่งที่อยู่ในหลุมฝังศพถูกให้ฟื้นขึ้นมาและสิ่งที่อยู่ในหัวอกถูกเผยออกอินนารบะฮุมบิฮิมยอมอิดิลละคะบีรแพทติ้งเพราะพวกวิบาลของพวกเขาในวันนั้นทรงตัณหนักในพวกเขาอย่างแน่นอน